ช่างกันชีวิตเราต้องมั่นใจต้องมั่นใจในตัวเองจะทำดีจะรับควมชั่วปฏิบัติธรรมจะเรินสติโดยชีวิตเราทั้งหมดด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจ อาสาใจการกระทำซึ่งเป็นกรรมที่ที่คิดชีวิตของเราได้ชีวิตของเราก็สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรขาดตกุกพร่องโดยเฉพาะในประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีวัดวาอารามมีโบสทพระบวถนะเนนบวถี แล้วก็มีวิธีปฏิบัติมีคำสอนมีหลักฐานพิสูตได้แล้วก็เรียการธาได้พระปาสุขโตก็ต่องอยู่โทษโทษตรงนี้กระสอนกันอยู่มีกติกามีสารามีอ า, ารการฉันอยู่ได้เป็นมิตรเป็นเพื่อน มีผู้ฟังมีการกระทําความดีมีสติมีสติต้องมีได้จริงๆเราจะไปมอบให้ใครความดีทั้งหลายเราจะไปเกณฑ์แจกใครคนชั่วทั้งหลายก็ต้องตัวเราก่อนต้องมีความรู้สึกตัวทําอะไรให้มันมั่นใจแต่ไปทํำตึ้นๆกลางกา อาศัยอนหนึอาศัยอันนี้คอให้คนอื่นช่วยอ้อนวอนใช่มช่ต้องมีฝีมื อ, อตรงมีฝีมือให้มั่นใจตามใจนั่งลงวางชันแล้ววางบาทรลงนั่งลงที่กติในที่เหมาะสมใหนเรียบทที่สะดวกสะดวกแล้วก็เจริญสติต ในลกแบบต่างๆอริบทต่างๆเืินเดินนั่งนอ น, นเวลาก็ให้โอกาสกลางวันก็สว่างกลางคืนก็มืดกลางคืนก็เข้ากปิดนอนพักผ่อนกลางวันก็ทํางานทําการกลานกคอนเทีย น, นเวลาฉันก็ฉันเวลา เาหน้าแปลงควันคนหนโดคนผมก็ทำซักผ้าซักผ่อนเรก็ทำาด้เราจะไปหม้อไครไขการทำคลดีนี่จะไป air, bon. อ่อนออ่อนบนอ่านโนนอ่านนี่ไม่ได้อ่านกนหนุ่มอ่างตนแก่อ่าน เทศอ่างไวยอ่างฤทธิอ่างนิกายอ่างศาสนาอ่างบุคคลไม่ได้ภารกิจคือกันเดียวกันความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องทำความเป็นพระความเป็นขีความเป็นสงความเป็นอุบาศกบาศิกา เราทางหน้าหรือความเป็นโพธิสัตว์ย่างเราได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของบุคคลอื่นเราจะไม่มีบ้าหรือเราจะไม่ทําได้บ้างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้หญิงผู้ชายคนได้ลูกเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นพระโพธจญา ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นพลังนี่ผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นโจรเป็นคนเลวผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งได้ลูกเกิดเป็นคนดีนี่จะไปอ้างอะมันก็อยู่กับตัวเราให้มั่นใจะลิขิตชีวิตเราเองดูมีสติ สิ่งเหล่าน <c oughs> ี้จะมันจะเนี่ยมีความรู้สึก ละความชั่วทาความดีมีสติมันหลงเทไรรู้สึกตัวมันไม่รู้สร้างความรู้กันมาอันนี้บทใดที่มันป้าวป้าวไม่ชัดไม่เกณฑ์เปลี่ยนปรับใหม่ปรับใหมป่ประกอบใหม่ปลาโรคใหม่หมตั้งใหม่ฮะมันก็ปกอบลดโจนลดอะไรเคิ่มอะไรต่างๆ ทำใหม่เร so ื like so ii, so so enough, ่อยๆทำใหม่เรื่อยๆก็ดีการที่ทำใหม่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่สำเมันหลงทำให้มันรู้เสียตัวเมื่อมันไม่ลูกสร้างความลุกไปเมื่อมันไม่หลงสร้างความลุกไปเรื่อยๆเห็นตายตายก็มีจริงเห็นเวทนาเวทนาก็มีจริงในกายเวทนาก็มีอยู่จริงในจิตใจในกายก็มีรอดไม่นะเดี๋ยวนี้กประมาณ 16บหกองศาต่อมันก็ธรรมดามันก็มีอยู่ความหนาวความร้อนมันก็มีอยู่หนาวตอนี้มีก็มีลบศูนลบสี่ลบศูนแล้วยังไปก่อลงไปอีกสี่นีก็มีในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ ไอ้เกลืออะไรประเทศไหนจร้มะมากสนอีมะลองอันนี้เราอรู่นี่าพันธุ์พันี้ไม่ลำบา้าบ้านเรามังกรถ้าประเทศจากประเทศสารัฐเนี่ยการนี้ถ้าใบไม้ใบเดียวว่ามีอ ย, ยืนตัยืนโดเดียว สัตว์เข้าโล่เข้าทาผูา้คนก็อยู่ในบ้านในเดินเงียบจุดไปมีลองผิียงไปมีแอรอุ่นวิ่งขึ้นรถถ้าไม่วิ่งไปไหนจะไปเดินไปไหาออกจากรถวิ่งเข้าห้องทำงานออกจากห้องทางานวิ่งขึ้นรถ เราลองไาถึงขนาะเดินจากที่หลักที่นอนมาศาลาหอใจไม่กี่ก้าวสองสามอยสีห้ายก้าก็มาถึงเดินมาสบายเดินจากศาลาหอใจไปศาลาหน้าป ร, ประมาณสัก4ี่รอยเก้า สบายไม่ต้องลุยหิมะไม่ต้องใส่ท่อปูดไม่ต้องชุดลุยหิมะชุดธรรมดาผ้ากีวอนผ้าสีขาวเสือ้ออะไรต่างๆแล้วก็มีสติลูกสุตัวลุกสตัวไปนะเวทนาของเสดลูกสุดตัวจิ ต, นะตใจที่มันคิด มันก็มีอยู่คนคิดอ่ะพอมันคิดเราก็รู้สึกตัวรู้ซักหลงรู้สึกตัวม่นมีธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นกับจิตกับใจมาย่อมจิตย่อนใจเรอบางทีก็มีปิติมีความสุขรู้บางทีก็มีความมุ่นวายสับสนรู้สึกตัวอ่ะควารู้สึกตัวรู้เลย จะไปใช่เล่ตรงเข้ามาหาความรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ใดก็จบกันทีจบกันทีเลิกลากันทีมมนมีไม่เป็นกับอะไรทั้งหมดมีจาความรู้สึกตัวมั่นคงมั่นคงหนักแน่นอยู่ตรงนี้มั่นคงอยู่ตรงนี้ถ้าอ่อนก็อ่อนเพื่อจะแข็งถ้าแข็งก็แข็งเพื่อที่จะอ่อนถ้าอ่อนก็อ่อนเหมือนไหมถ้าแข็งก็แข็งเหมือนเพชร อเคร่งก็เคร่งเพื่อทีจะย่อนถ้ย่อนก็หย่อนเพื่อที่จะเข่งมันก็มีอยู่ในตัวนนและความหลงก็เป็นความรู้อยู่ในตัวความคิดก็เมีความถูกอยู่ในตัวแต่ให้แก้ให้เปลี่ยนการเปลี่ยนไล่เป็นดีเรียกว่าปฏิบัติหรือเรียกว่าภาวนา การเปลี่ยนร่ายไปเป็นดีเรียกว่าภาวนาการเปลี่ยนคิดให้เป็นถูกเรียกว่าภาวนาหรือปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ใช่รูปแบบให้นอกรูปแบบบ้านก็ห็นได้ไม่ใช่ Copy จากครูบาอาจารย์ใจอย่งอางน้อคอยอย่นอ้อพุทโธพุทโธ เอาแต่พูดเอาแต่ว่าจะสอนคนก็ยังรได้จะด่าคนด่าหรือเตือนคนก็ยังได้จะลดเสารลดย่าก็ยังได้ทำงานทำการอะไรก็ได้ทำนาพิยกหั่นผักหมูหงข้าวหนึ่งข้าว ต่างถ้วยล่างสัะชามซักเสื้อซักผ้ากระดุกกระดุกรู้ <c oughs> รสึกตัวคันชั่วดีไม่ใช่พุนโธไม่ใช่สมมาลังไม่ใช่ลูก น, น, น, น, น, น, น้องของน้อเพาะนันเป็นอนิมิตเล็กๆแต่น้อยเหมันคนหัดมันเด็กหัดเดินหัดหนั่งมีรดนั่งมีรดนอนนม่ <c oughs> ที่จับเดินแต่ถ้าเจ่งแล้วก็ไม่ต้องจับตลอดชีวิตก็ได้อาจจะเดินไปไหนมาไหนไม่ต้องมีที่อาศัยไม่ต้องมีรถนั่งรถเข็นออกไปของเราเองแบพึ่งตนเองช่วยตนเองนะคือของจริงมันทุกขเปลี่ยนไม่ทุกจริงแล้วมันหลงเปลี่ยนไม่ลงจริงแล้วมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธถูกล้ว ของนั้นละเป็นไม่ใช่ก๊อปปี้มันเป็นเรื่องของปฏิบัติเองรู้เองปฏิจัดตังเองรู้เองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการพูปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นได้สมการปฏิบัติของตัวเองผ น, นั่หลชีวิตของเราต้องมันใจแนวแน่ เ่าต้องแน่วแน่ดีๆยิ่มแยกแจ่มใสหลงสึกและเล็ดได้ประกอบกับการงานสัมผัสกับความรลงสึกตัวสัมผัสกับความหลงอาจจดีกว่สัมผัสกับความรลงจจสึส ก, กสตัวเพราะมันซึ่งใจงมันหมดทุกมันหลงนะซึ่งใจมันตา น, น ผมรู้ก็ถูกต้องแล้วนอนลงมันซึ่งใจถ้ามีใครมาเตือนรู้สึกผมซึ่งใจมานกันถ้ามันผิดนะ <c oughs> ถ้าไม่คิดก็ก็ซึ่งใจหรือว่าธรรมดาธรรมดาให้เราเนี่ยเตือนเราให้ซึ่งจใจเวลาอะไรที่มันลงซึ่งใจจะได้เห็น เงื่อนไขเห็นปวดอ่อนของตัวเองห ล, ล, ลงแล้วก็ปวดหลงล้วก็ทุกข์หลงแล้วก็เกิดที่เหลืตัณหาก็โทุันไปไปเลขบขึ้นมาลุ่นสึกตัวลู่สึกตัวนั่งอยู่นี่หลงจะไาจะคิดไปโน่นอะไรกันขับขึ้นมามาลู้สึกตัว อ้าวนั่งอยู่นี่เลืมตัวไปเลยหลับไปเลยไอคนพูดเขาไม่ฟังหลับไปเลยเอาแต่หลับเอาแต่หลับโอ้ตื่นขึ้นมาลุกเสร็จตัวพวกเราอยากไปนั่งสะพงอกให้คนเหตุสถาบันสติปัฏฐานป่าสุขโตออกจากนี่ไปอยากไปนั่งสะพงอบให้คนเหตุ <c oughs> จำนักอื่นเขา พันังสะพุโอเคโอเคโอ้านโอกลางหลับตานังพลอดไม่ต้องหลับตาก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นสะพมงสิ่งอรมันาตแต่มันสบายสดชื่นตื่นรู้สึกตัวคนนในสติจใดๆไม่หลงไม่หลงกับสินงใดๆทั้งหมรู้สึกตัว เต็มฟองอยู่สมอมันนับล็อกจะบีบก็ได้จะลอยไปก็ได้่ายยังไงก็ได้ทำให้ไม่มีตัวมีตนก็ว่างก็ได้ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวนเต็มก็ได้เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวเต็มด้วย สิ่งที่ถูกต้องว่างโดยความผิดเราก็หาได้ทุกรูปแบบแต่ละได้ทุกรูปแบบทําดีได้ทุกรูปแบบละคนชั่วได้ทุกรูปแบบทุกสถานการณปรากฏการต่างๆไปดีเลยไปว่างเปล่า ไปด้วยความรู้สึกตัวจนชำนิชำ น, นานความชำนจํนานาในชีวิตในเรื่องความถูกต้องในเรื่องความอยู่โดยชอบหรือกว่าปริญญาปริญญาชีวิตไม่ใช่ปริญญาในสถาบันปริญญาในชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่โดยชอบ ปริญญาในสถาบันการศึกษาตามสมมุติปริญญาหรปริญญาในความเชี่ยวชาญใน ANE, วิชาการต่างๆวิชาชีพต่างๆแต่ยังทุกข์ยังโกรธยังโลภจงหลงแต่ปริญญาในชีวิต เ, เนี่ยหมดเลยหลับเรียกเตยชีวิตเลยชำนีชำนานในความหลุดสุดตัวชำนีชำนานในความไม่หลงชำนีํานานในความม่ทุกข์ คนละโลกมโทกกับความโอดโลกหลงอยู่คนละโลกกับชีวิตชีวิตเรายกออกแล้วคนลโลกแตกต่งแล้วเราเ็นเมือนโลกน้เหมนน้มั น, นามมาเราตหมอนนำเสมอ มันน้ำแร่ปนเนือ้อตะกอนจะมาเที่มันมีคุณภาพแล้วท่านเคยเห็นเขาเอาเครื่องทำน้ำแร่มาเอาน้ำปลาเทใส่น้ำปลาหายหมดเจไปหมดเอาน้ำเล่าเทใส่เล่าเจิดไปหมดอ้าวมันเจิด น, นะ การปฏิบัติทำมันก็จืดความโรกรธมันจืดความโลภความหลงมันจืดเหลือแต่ความไม่เป็นอะไรมันนําปลาเทใส่เครื่องทําน้ำแร่ทำปลาหายก็นได้ไหมหเหลือแต่น้ำธรรมดา <c oughs> มันจืดเครื่องมันดีทํำในกระบวนการทำมังคีเจยะโยนิโสมนสิการสีนถลุงออก สมาธิย่อยออกปัญญาเข้าไปแยกแยะไม่มีเลยเลยภาษาเลความโลภความลกลดความลงขีดตัณหาของยากยกของศพกับปลดไปอะไยอาวรณ์มันทำมาเด็เราวง ถึงสุดน้อยปลายทางไปพกไปวนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปไม่ถึงไหนพราะน้ำเร็วปฏิเสธเขาไปไม่ได้จมลงตรงนั้นเหมือนใ น, นทานเรื่องแรกกาจินสัในทานเรื่องกาจินสักาจินสัพเคยได้ยินมา กาจ้สานะกาินสาอย่างหนึ่งอุท่าหอนกาินสาตัวหลวงบททองหงวงกาหลงสากาหลงลินกิ่นไปบท่วงเหตุกาเห็นสากาชินสาอย่างมังอุท้าหอนกาหลงหลอนตัวเองว่าแสบด้วยหรือหล ก า, าเห็นสาตตัวหลงบทโถงหงงกาหลงลีดกลิ่นไปบททนเหตุนกกินแล้วแล้วทักทวนกาเยื ants, ่อีบบ่อยกว้างกาหลงสัตตัวหลงบทโถงหองส่วงสวดกลิ่นเอียบหน่อยสีตายจ่อยต่างทะเลกาเห็นสัตลอยมากาง่อยข้างต้นกาเห็นสัตว์ลอยมาโอ้โนาองค์ร้องอ้รวยแล้วรวยแล้ว เกิดไปง่อยตาเไปอยศาสต์าต์กินแล้วต้องลีกนกกิดแฉวบแล้วทับท่วกายเยอ่พอจะค้องขึ้นมากเกนมากจะป้าจะไปเกินมากาเยอโอ้ยเราลวยเราราลุยลยบริสุทธิ์กาสสร้างไรไปลำน้ำตกทะเล ขึ้นหัปไปเรื่อยๆกากัลงดิเย็นเแต่ว่าศักินไปกินมากก็เบิดเรมามันเบิดเราแบบโมลงหนาพกากเร่อยบนฟังเรากาก็บินขึ้นไปทางใดก็โโหนดนเนาะไปทางใดนยบินบนไปวนมาโอ๊ลงนะครมลง กระลงอินกินไปก็โทษเหตุมลบโม่โทษสันบาปสามนาต่อกาสงสาตัวลงว่ถงห่วงส่วงส่วงสวดกินเลียงหน่อยสิตายจอยตายเลลงไปลงสบาคนบุกบุคลบางคนก็บง่าหลงเพศหลงวัยหลงทรัพย์สมบัติเรามั่มีศีรษะมีเมียมีผัวลรมีลูกไม่มีทรัพย์ ล้มมาไปว่าเอาไปมาส <c oughs> ินน่งเล่านั้นก็ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยลูกก็ช่วยเลยไล่ได้เมียก็ช่วยเลยไม่ไดะทรัพ ส, สมบัติก็ช่วยเลยไม่ได้ก็เลยจมลงตรงนั้นล่องห่มล่องห้วยไม่ลูกจะคิดไม่ลูกจะท้าจะเกิดจะตายยังไง <c oughs> จะเก็บยังไงทําไ ม, มเป็น นีแต่หลงหลงในโลกหลงในรสหลงในกลิ่นหลงในเสียงหลงในเพศหลงในวัยหลงในรัฐิหลงในในกายหลงในหลักสกนัดหลงในุดปัญญาสามีหลงในรสของโลกโลกรสกลิ่นเสียงเนี่ชาติเป็นชาติที่ทาให้สัต์โลกหลง สติดูกายดูใจจะเห็นโลกอย่างแก่แค่จะเห็นโลกอย่างแก่แค่อะไรมันเรียกว่าวิคิตตสดาคนโง่คนหมกอยู่คนฉลาดถางห้องอยู่ไม่มาดูมาดูการดูใจมันจะเห็นตัวกายก็เห็นกายเห็นเป็นรูป โดยไปเห็นจิดเห็นความคิดเห็นเป็นน้ำนั่งอยนี่คือลูกคิดเป็นนมคือน้ำมันไปคิดเป็นน้ำมก็คิดเป็นมันก็มีอำนาจมันก็ไปได้คล่องเข้าออกได้คล่องไม่มีอะไรลู่ทังนอกจากควรู้สึกตัวนอกจากสติ โลูไปดูมามันหลอกไปหลอกมาหลงไปแต่วันมันหลอกทีไรก็หลงหลงบ่อยๆก็ก็รู้ทันแลอวก็เป็นพวกเป็นคนมานี่ยเพราะผมหงถ้าให้เกิดความฉลาดขึ้นมาหลงกลายก็ฉลาดหลงความคิดหลงไปในความคิดก็ฉลาดหลงไปในความปวดความหลงก็ฉลาดความหลงก็ทํำให้ฉลาด ความโกรธก็ต้องให้ฉละเอาดีๆนี่ยถ้าเราศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาก็ควมหลงเป็นเหตุให้เกิดควาหลงควโกรธทาเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราศึกษาควมหลงเป็นเหตุให้ไม่หลงมันอยู่ไม่ได้ความจริงก็ทนต่อการพิสูจน์ไมได้ สิ่งที่ตนต่อการวิสุทิ์ได้คือความจริงความจริงต้องเป็นความจริงสมอเราไม่มา ม, มีสติดโลกกายเห็นเป็นรูปรูปมันจริงแค่ไหนเพีงเยงล่ะอะไรที่มันปนอยู่กับรูปมีสติเห็นความคิดเห็นเป็นนามความนามมันนามมันเท็จจริงแค่ไหนเพีงเยงล่ะเราได้ประโยชน์อะไรจากนามอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ เรื่องของหนาอะไรที่มันเป็นโทษเรื่องของหนาเรื่องของรูปกคนหนึ่อะไรที่มันเป็นโทษ อ, อ, อ, อ, อะไรที่มันเป็ น, รนประโยชน์เ <c oughs> ัินเรามีพ่วงแพย์ขี่ข้ามคว้าในใช่ดะนามนี่ก็เป็ชีวิตคิตใจของเราที่มันลูกไดล้ลไรเราใช้ใมันลุกหรือเราใช้มันหลองเราก็ใช่เป็นแล้วบัดใช้ให้มันลูก ใชนมาลู่สึดตัวใช่มัาลู่สึดตัวก็เป็นธรรมก็เกิดความเป็นธรรมมีสติหรือเท่าลู่ทันอะไรที่มันโยกับลู่พลามเนี่ยยะแยกได้หมดที่มันสืบโชคที่มันฟางไม่เชี่ยงที่มันไม่ใช่ตัวตนอะไรต่างๆอาการธรรมชาติอย่างไรเหตุปัจจัยอะไรเราก็ชนะเราเราก็ชนะ ฉลาดพอเห็นลูกแต่นามโอ้ยมันซึ่งใจมันไม่มีอะไรที่จะซึ่งใจเท่ากับประเดี๋ยวลูกเรื่องกายเรื่องใจบันลึกซึ่ง <c oughs> แล้วก็มีประโยชน์เพื่อคนแล้วความลูกที่มันเป็นฉลาดพอเห็นโลูกขต่ น, นา ม, มันช่วยช่วยชีวิตให้ไหม่ไม่เกิดไม่แฉไม่เจ็บ ไ, ไม่ตาย ไม่ใช่ฉลาแปบโลกโลกเป็นโลกเป็นนามตามความเป็นจริงมันลึกซึ้งรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากศึกษาชีวิตเราน่ะแต่ไปปล่อยให้มันหมดเวลาหมดการหมดโอกาสไปถูกตองแล้วโวกเราอาจจะแม่เมนคนหลายๆลคน เห็นเวลานี่หน่อยเสียงนังเสียงนั่นทนถึงต่อถึงต่อเขาทำบุญทำบุญเร็นั้นทำไม่ะาวยสี่ตัวห้าตัวไม่นังไม่หมดเราเสกมันตลอดคืนสองคืนสาคืนเสียงผู้เรียงคนไปดูบุญของเขานี่แต่คนมองมองกินบุริ่กินเหล้ากินสัตสัต ไปเรื่องงานบุญที่เขาเนี่ยเขาเป็นผิวเล่าผิวสาตสาัตวผิวบุหรี่เสียงที่ผิดปกติจนหูหลวงพอเสียไปตรวจหูก็ว่าหลวงพ่อเคยมีเสียงดังๆอยู่ในเหตุการณ์เสียงดมืองบางมีบ้างไหมโอ้ยก็มีนั่นแหละชีวิตหลวงพ่อก็เกี่ยวข้องหมดเลย กรณีมลเรื่องงานต่างๆมันเป็นเสียงวิทยาศาสตร์มันทำให้เรายอมม <c oughs> ันก็นได้ยินมันหลัเป็นเหยือให้หูเสือ่อมมีผู้ดังๆไหมจะตึม้มนี่ไหมก็มีวั น, นที่ไปอออขอสวดขอจูดผู้งตุ้มได้แปลว่าเราห้ามใช่ไ ถ้ามาไฟก็ห้ามใจะเจ็ดสุดพุอย่นมาเผาศกตรงนี้นี่ว่านั่นเป็นจุดทล่เาลองในหบอกเขาแหมมันก็กระทบกระเทิอนคนเราก็ยังไม่อูแล้วนคนไทยเนี่ยเต้า่างานแล้วเอาส่รถคันหนึ่งก็ยังไม่หมดลเลยเฟื อ, ลองลงพรมรถเก่ารถยาวก็ยังไ ไปเป็นคันรดเพื่อให้มันดังแม่นวะไม่ชี้ต้องอยู่เป็ น, น, นวนะเป็นรถคนล้อมพวกวะเอเวอมันดังบักสิบตูตูหนึน่งตูหนึ่งท้อของสร้างแต่เพือแคนดินยอดยึบๆปุ่นปั้นน้ำมาเริ่มมาเอาเ่ <c oughs> <c oughs> จากหนังแก้มของเราเราบงโงด้วยว่าฉลาด คนหลงมันสร้างอะไรไสร้างเสียงก็ได้สร้างรถก็ได้เอาให้คนหลงคนติดก็ได้สร้างยามาให้คนติดหลงก็ได้สร้างสีสร้างกลิ่นสร้างรถกินก็กลิ่นกาวเหม็นๆน่ะทำไมมั น, ม น, น ไ, มมไปติดอะ่ะแล้วมันติดกินกาวเรามันไม่ได้เสพไม่ได้กลิ่นเราก็ไปนั่งไปโดยแถวหัวลงหงงเทือก กติดกิ่นไปนั่งอยู่แถวห้องน้าไม่สงวนจะไปนั่งหน้าโมกทําลายไหลหน่า ส, สั่นๆไปนั่งอยู่แถ ว, แถ ว, แถวห้องน้ำห้องสระเหม็นแล้วาะว่าหอมมันกระติบนะไม่ได้พวกเราทําไม่ฝึกผลตนเองจงปลักต่ำสดต่ำต้อยเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็ น, ป น, ส, ปนสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์รนรก ชีวิตของเรามันอยู่ในทางสี่แท่งนะเส้นหนึ่งไปสู่สวรรค์นิพพานเส้นหนึ่งไปสู่มนุษย์เส้นหนึ่งไปสู่อาบายเราจะไปทางไหนกันไหวฟ้าแล้ละละเลยแล้วเกือหมดโอกาสแล้วเอาเถอะพวกเราจะโ้นสตินะยิ่งหนุ่มยิ่งน้อยยิ่งดีตื่นแต่ตื่นสติหน่มอย่าราใหเท่าให้แก่ แกไปห่วงลกวงูกของหลานห่วงโลกเกินไปอย่า้เขาพัฒนากันแล้วเขาไปถึงมากถึงผลเป็นมากแล้วหนุ่มๆหน้น่อยเท่า น, น, นั้นน้ปวดเนียผู้หญิงเนี่ยในประเทศไต้หวันเนี่ยไม่แต่ปริญญาเ่านั้นเจ้าสาวเท่านันปวดเป็นเรือ่องส่วนเอ คนเป็นหนุ่มคนเป็นสาวเอาคนเป็นสาวเอาคนเป็นหนุ่มไปใช่ปิดประเภทเดี๋ยนี่เดินสิเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในโรงงานแต่ก่อนคมเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่งอยู่คนบ้านทําประดิษประดอยออกผ้าเก็บขิดเก็บหมอนมัดมี ความเป็นหนุ่มเป็นสาอยู่กับป้ากับช่องโรงงา น, นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเคอยู่ในโรงงานเกยแล้วหมดโอกาสก็ทิ้งมากลับมาบ้านไม่มีเลอยออกโลกจังหวะเป็นว่านั่งหลังกดของโงอยู่บ้านหมดค่าเลยเสื้อ ม, มดเลยมีคนหลายคนที่หลวงพ่อไปหาเงินต่างประเทศเสื้อมุดเลย ตัวเขาบังคับเขาใช้เสียผู้เสียผลส่วนมนุษย์เอาชีวิตเป็นเศษสัตว์เศรษฐ ก, กิจชีวิตเราเอาเป็นสัตว์เศรษฐ ก, กิจไม่ใช่ชีวิตเพื่อชีวิตน่าขนหัวรุนหลวงพ่อมาลูกกายลูกใจรูมนามประตเราใช้ลูกผิดประเภทเราใช้นามผิดประเภทตั้งแต่นี่ต่อไปเลยจะใช้ลูกใช้ใชนามย่ากผูกต่อ ใครจะทำงนานก็เป็นเรื่องของแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยใช่ลูกใช้น้ำยาถูกต้องเท่าที่จะทำได้อทีนที้ก็แบ่งแบ่งมันตั้นใจแต่สอนแต่มาอ้าวโยมมาออมขอน่ำมนหลวงพ่อขอเจิมรถนี <c oughs> ่นะนี <c> ่ <oughs> มกันอก็มีเหมือนกันขอหน่ำมนขอไฟรูเข็นนี่มันก็น <c oughs> เออเอ้าวก็บังทีก็อ้าวยายเจอลดเนี่ยเจอมาเลยก็บอกเขาเจิมทุกทีก็บอกเขาทุกทีเจมคนแล้วลดพระนะเนยรดพราะนะเน่ตั้งใจดีนะก่อนจะขึ้นรถขึ้นเรือ ย, ยกมาไหว้ทแลลึกถึงคนพ่อคนแม่คนผัวอาจารย์และลึกคนของพระพุพทธประธรรมพระสงฆ์อย่าไปลึกถึงอารลงพานคนล่คนกหก บางทีเราเราลึกถึงคนรักบางทีเราเรารึกถึงคนโกรธบางทีเราเรารึกถึงคนอืของอยู่ของกิจไปถึงนั่นไปกินเหล้าวันนั่นไปกินเหล้าวันนี้หลงตัวเริมตัวอไปตรวจโลกเมื่อวันที่สามสเอ็ดขาฉาดาหักแขนหักันลงห <c oughs> ลงตัวใจลงไปบาด มันของเรามีสติดูให้ดีๆ ด, ดูกายดูใจมันตั้งต้นจากตรงนี้เลยตั้งต้นจากการจากใจสองของใหญ่ๆสองเงินเทนา่านั้เราก็สะดวกสะดวกมีสติดูกายดูใจจะได้เห็นอะไรล้ลยอยหยาบสิ่งก็เกิดอยู่ตรงนี้สมาธิปัญญาเกิดอยู่ตรงนี้บาปก็เกิดอยู่ตรงนี้บุญก็เกิดอยู่ตรงนี้ จะลาบบาปก็ลาบตรงนี้จะทำบุญก็ทำตรงนี้จะเป็นพระก็อยู่ตรงนี้จะเป็นผีก็อยู่ตรงนี้จะไปสวรรค์นิพพานก็อยู่ตรงนี้ถ้าเรามีส ต, ติรูปหมดรูปครบรูปทวนเข้าแถวมาให้เราดูเป็นตลาดนัดของคีวิตทั้งหมดภพภูมิทั้งหมดผ่านลูปผ่านนามทั้งนั้นไม่ได้ลอยมาจากที่ไหน ไม่ได้ขี่ว่าเขามาจากที่ไหนมันต้องโต้จากต้นไหนมีสติลงไปกรรมฐานทําลงไปตรงนี้นะวันนี้หลวงพ่อจะไปสอนธรรมที่ว่าหนองตะนาไปหลายวันนะวันนี้นะในพระจารไปท่านสิบห้าวันหนองตะนาห้าวันอ่าสิบวันไปสิบวันบ้านนาแจห้าวันตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่สิบห้า อนะ่าก็เกือบสิบวันอยู่ดีไม่สุขนะแต่สุดก็จะนี่แหละอาจารย์สุทธผมไปคนเดียวพวกเราปฏิบัติธรรมกันเลยไม่ต้องไปก็ได้อยู่ที่นั่นนันไม่เหมือนบ้านเรานะแอดร้อนหรือเปิดพัดลมนั่นแหละทำไมเยนม็นในอุ่นเหมือนบ้านเรนากลางวันเนี่รองพัดอ๋ออาลม์ก็มีอันนี้เราจะไปดูให้เขาหาเต้นหา ูตามปาาไัยปลาไผ่ใไผก็ร่นหมนเลยหม้คือกันไอาใไผโรดเจีเ๊ยแสบหมดเลยเดี๋ยวจะวางม ไ, ไมไผม่หอมภูมไล่ยล่นะวันนี้ก็ตัดแบบมาดมคอนเสิร์ตอ่าวันนี้ก็ฉันชาแล้วว่าจะไปอ่ะวันนี้ก็จบการลางทำกันเฉยๆกลัาพ่อๆไป ระหังัมมะตัมปุตตุภะคะวะภะคะวันตังภะวเทวีตัวกัตโตภะคะวะตัมโมอะมังนมะสงสุภิดิปโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังขังนะมะ